สลายก็เลยครับแขบไปเลยนะเมื่อคืนนี้ญาติโยมก็มายือ้อโชคดีหน่อยผลไม่ได้ตกไม่ได้ลงผลหยุดพอดีวัดแต่ก่อนกว่างกว่างก็เลยครับแขบไปเลยตัด <c oughs> ฐานอันนี้สงเล่งบุญของญาติโยมไว้ ไม่ได้ทั้งคลาวาจัดโยมทั้งพระเหล่กก็รุมเยอะฉีก็เยอะ ก, กะประมาณพิจารณาดื้อกะประมาณในการคบฉันของเราอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งยิ่งบทใหม่กายก็หิวอ น, นุนไก่ก็หิวใจก็ปรุงแต่งไดเร็วไดไวมเป็นธรรมชาติของกก่ ถ้าไม่ได้รับประทานข้าวปลาอาหารนี่มันจะเกิดความหิวได้เร็วได้ไวใจก็จะปรุงแต่งความอยากได้เร็วได้ไวเราก็พยายามหยุดความอยากกะประมาณในการคบชันของเราไม่ใช่ จ, จะเอาตั้งแต่เวลาไปฝึกไปนั่งไปเดินทุกขิยาบุตรสติต้องมีอยู่ตลอด อันนี้ก็เป็นวันประวัณนานะเขาพรรษากันก็ให้ขยันมันเพียรสำรวจใจสำรวจกายสร้างอันนี้ทรงสร้างบุญบา ร, รมีให้มีให้แก่ก้าขึ้นอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับไถ่ไม่ว่าจะอยู่ในระยาปดไหนกลางวันกลางคืน ฝึกให้เป็นความเคยชินฝึกให้เป็นอัตโนมัติงูวัดนี้ก็ได้ปลูกต้นไม้ตอนเย็นๆเกือบจะถึงรึปลูกต้นนางพญาเสือโค่งที่ลานองหลวงปู่ลีลาถ้าโตขึ้นมาก็เป็นจะเป็นส่วนประวัติศาสตร์ของเมืองคอนเจ็ง ออกดอกบานสะพังต้นสากุละเมืองไทยถ้าติดโตขึ้นมานั่นก็ใครมาคอนเจนไม่ได้มาวัดแล้วก็มาไม่ถึงคอนเจนและต่อไปถ้าพุทธลปยกใหญ่ก็อยู่ที่คอนเจนได้มีท่านผู้ใจบุญเทวดาได้มาช่วยกันทำช่วยกันสร้างขึ้นมา พระหลวงปู่ใหญ่ก็ศักดิ์สิทธิ์ก็พลังบุญอำนาจแห่งบุญของทุกคนพระพุทธลุปใหญ่ปางลีลาก็สวยงามแต <c oughs> วอดาก็เข้ามาวัดเยอะ แต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเนี่ตั้งแต่เช้ายันมืดเห็นแล้วก็ภูมิใจนุ่บางคนบางท่านก็มีความสุขพาลูกพาหลานมามากรบ่ายมาสักการะบูชาบางคนบางท่านมีความขยันก็มาเจริญภาวนามาเจริญสติมาสร้างอานิสงส์ได้หลายอย่างต่อไปถ้าตุนไม้ดอกไม้ขึ้นทุกจุดทุกมุมแล้วก็ จะมีตแต่ความสุขความสดชื่นกันเดินไปมุมไหนก็มีตแต่ส่วนดอกไม้หน้าหอกพันศาในก็ได้ชมต้นพวงโ ก, กเมนออกดอกตั้งแต่โคนจนถึงอปลายยอดพวงโ ก, กเมนในสวยมากทีเดียวใครมาเห็นก็บอกว่าหลงเลยพอมาเห็นแนละ้วก็ลงจากรวดเร็วลงไปจะไปเด็ดเอาเลยทีเดียว อย่าไปเด็ด <c oughs> เอาไว้ที่ต้นเขาให้ได้สวยงาม <c oughs> แลมีอา น, นิสงส์ได้ชมกัน <c oughs> ่หลานจอดรถก็มาเจอต้นพงกุมิลเข้ามาในวัดไปลานธรรมจักรก็เจอต้นกระพพอกออกดอก <c oughs> ตามถนนหนทางก็จะเจอต้นขุน <c oughs> หลอมอำนาจแห่งบุญ ของทุกคนมาช่วยกันเอาวางใส่ได้เลย <c oughs> วันนี้ก็อากาศสดชื่นดีคนฟ้าก็ลงมาตั้งแต่เมื่อคืนก็ลงไม่นักเท่าไหร่ก็พอดีเวลาเวียนเทียนก็หยุดอญาติโยมนี่มากันแน่นที่จอดรถก็ขับแคบไปเลยวัดก็ขับแคบ นี่แหละาบอำนาจแห่งบุญอยู่ไกลอยู่ไกลก็พากันมาอันนี้สงแห่งบุญอยู่ตรงไหนเรามนุษย์เราเทว ด, ดาย่อมหลังไหลมาเป็นธรรมดามากะไปสิ่งที่เป็นสิริมงคลของชีวิตถ้าอยากจะสูงขึ้นไปก็รู้จากการเจริญสติการวิเคราะห์ใจวิเคราะห์กายของตัวเราการละกิเลสเอาเข้ามาเลยมาที่หลังเข้ามาเลย ก็มาถวายได้เลยบางคนบางท่านก็มาเอากําลังกายมาช่วยช่วยกันทํานโน่นช่วยกันทํานี้ทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์อกําแรงกําลังสติปัญญามาช่วยกันมาอย่างสถ า, านที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งบุญใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นแล้วแหละเป็นแล้ว กวาทุกสิ่งทุกอย่างรอแด้งแต่ผลให้เตรียมที่ภายในสองสามปีก็จะเห็นอนุภาพองค์ความอูดมสมบูรณ์ทางด้านสมมุติเห็นความสวยงามของสถานที่เข้ามาอย่างก้าวเข้ามาในวัดก็มีความสุขจิตใจก็เย็นลงปลงสบายตัวใจนั่นแหละตัวใจ เอาเข้ามาถวายได้เลยนะเข้ามาถวายได้เลยอเพราะว่าคนไทยเราจิตใจมีพื้นฐานเป็นบุญอยู่ตลอดที่ในการจเจริญสติที่ต่อเนื่องตรงนี้แหละทากันได้บ้างไม่ได้บ้าง <c oughs> อ่าอ่าประเขีนเลยประเขียนเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเพึ่งจะเพึ่งรอรอก่อนรอก่อนเออพระ <c oughs> เราก็โดนดีๆนะก่อนที่จะครบจะชัน ใจเกิดความอยากรู้จักควบคุมกะประมาณอันนนนนก็ยากอันนี้ก็อยากเอาน้น้อยก็กลัวไม่อิ่มมันหอูกอิเลสมันสั่งกายก็ยิ่งหิวถ้าเกิดความอยากก็รู้จักระงับจับยัง้งถ้าเราไม่เอาแล้วเราให้ผ่านเลยไปความอะไรอาววรเสดายมันก็จะเกิดขึ้นหรือไม่เราก็ดูไม่ใช่เรื่อง การขบการฉันทุกเรื่องในชีวิตน้องกต่ตื่นขึ้นมาเราจะต้องทำความเข้าใจกายของเราทำหน้าที่อย่างไรทวานทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรารู้จักจำแนกแจกแกงออกจากวิญญาณของเราหรือไม่ภาษาธรรมภาษาลกมีโอกาสก็พยายามพากันทำพากันทำบุญ การทำบุญการให้ทานก็เพื่อที่จะละความตนีเนื้แน่นละกิเลสละความโลภการให้อภัยทานการอาโหสิกรรมจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากความยึดมั่นถือมัน่นซึ่งภาษาธรรมะท่านเรียกว่าแยกรูปแยกนามยืนเดินด น, ด น, นั่งนอนให้เป็นแค่เพียงอริยบทอาถาวไว้ได้เลยนบมีบุญนั่งกระตดดน้อ ย, อย่อแม่พา สร้างทรัพย์ภายในฝากเอาไว้ให้เด็กเติมเต็มตัวเล็กๆโตขึ้นมาเขาก็จะเต็มเปี่ยมเดินปัญญาได้เองเอาวางใส่ได้เลยนะอ <c oughs> คนมีบุญก็ได้ทําบุญเัิมเต็มตัว น, น้อยๆสร้างบุญมาดีอ <c oughs> รอตั้งแต็มการเจริญปัญญาเท่านั้นเองอบุญสมมุติก็ได้ทําโตขึ้นไปก็รอจังหวะโอกาส เดินปัญญาทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญาพ่อแม่พาปล่อยพาวางพาให้พาเอาออกตั้งแต่ตัวเล็กๆโตขึ้นไปก็สร้างสะสมวันิสงผลบุญค <c oughs> ลายจากภายนอกใช่ก่อนก็ส่งผลถึงภายใน <c oughs> อยู่คนเดียวก็รู้ใจของเราอยู่หลายคนก็รู้ใจของเรา คนไทยเป็นประเทศที่มีบุญโชคดีที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักไชให้ศาสนาก็อยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่แหละท่านก็เน้นลงอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละคําสอนของท่านก็ลงอยู่ที่ใจของเราพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจของเราพุทธพุทธผูธูรู้ ใจของเราเป็นธาตุลูกเวลานี้เขายังเกิดอยู่เพราะว่าเขายังหลงเขาถึงเกิดเขาหลงเฉพาะตัวของใจหลงยังไม่พอก็ยังมีอาการงคันห้ามาปกปิดเอาไวอ้อีกในความทะเยอทะยานยากเป็นอย่างเหนียวเราต้องมาขัดมากลรมอยุดตลอดเวลา ถ้าขัดเก่าเหลาออกให้หมดจดก็จะเหลือแต่ความบริสุทธิ์เหลือแต่แก่กายเนื้อ <c oughs> ที่จะต้องดูแลให้ถึงการถึงเวลา <c oughs> ตกไปเถอะฝระเหล่าอยู่รมวมกันหลายองค์ห ล, ลายท่านก็พยายามออนนะพยายันมันเพียนอย่าให้นิวรนอย่าให้ความเกลียดครานเข้าขอบงา หลงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟังเท่านั้นแหละแต่ละวันแต่ละวันสภาพร่างกายก็หนักอาการอยู่เหมือนกันเมื่อคืนนี้ก็เล่นงานหนักอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละเมื่อคืนนี้ก็เบาหวานก็เล่นงานเบาหวานลดทั้งลดทั้งขึ้นอืเกือบจะเอาชีวิตไม่หลอดเหมือนกันเหงื่อในแตกพักๆออกกับร่างกายในสุดนึกว่าจะไปซะแล้วหนักอาการอยู่อื ไอ้หลกพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้กังวลเพราะว่าเราเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมดูก็เหมือนกับจะไม่เป็นอะไรขณะที่ยังไม่ได้ไปก็สร้างอา น, นิสงส์สร้างบุญบรารมีให้กับพี่กระน้องให้ได้อยู่ดีมีความสุขเท่าที่นี่ความสามารถมีเท่าที่กำลังกายอำนวยให้ แต่อย่างสถานที่ให้เป็นแหล่งบุญใหญ่จากไม่มีก็ทําให้มีให้เกิดขึ้นให้กับทุกคนทําความสะดวกสบายให้กับทุกคนสถานที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินที่ถ่ายที่เยี่ยวที่สักการ บ, บูชายน์กระทั่งยันกระทั่งถึงเวลาตายก็อนุเคราะห์ให้โดยการตั้งชาวปณิกิจ กองบุญกองทุนสงเคราะห์เบื้องตน้นตั้งแต่ตั้งมาก็พี่น้องเราก็จากไปก็ร่วมส0สบสามสิบศพใสหมอบโรงศพให้หนึ่งโรงแล้วก็ผ้าขาวสองผืนแล้วก็เงินกองทุนชาวปนักกิจศพไปช่วยเหลือขั้นพื้นฐานนี่อีกคนละห้าพันบาทเดีวลาตายมาเราลำบาก S <S ก็ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือกั น, นก็ด้วยเรียงบุญของทุกคนนี้แหละมาทําบุญมาทําบุญมาให้ทานลงพ่อก็เก็บเอาไว้ถ้ามันเยอะเราก็สลัดสละออกไปก็ได้ช่วยพี่น้องเราหลายจุดอยู่ปีนี้ก็ได้ช่วยหลายจุดอยู่ทางโรงเรียนก็ได้ช่วยเหลือทางโรงเรียนได้ทําบุญให้กับทางโรงเรียนหลายโรงเรียนอยู่ เราก็ได้มอบทุนให้กระทางโรงเรียนเกตนาคอนไปทองล้านก็เดือนก่อนที่ผ่านมาได้ทําบุญให้กระทังโรงเรียนล้วก็ได้ทําบุญให้กับหมู่บ้านต่างๆก็หลายที่อยู่แล้วก็ทําในที่วัดของเราก็ทําอยู่ตลอดนี่แหละบุญต่อบุญบุญของญาติโยมมีมาก็ขยายบุญให้กว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งขยายไปเท่าไหร่อันนี้สงแห่งบุญก็มากมามเหมือนกับเราจุดเทียนนั่นแหละมีเทียนอยู่เล่มเดียวถ้ามีหมู่คณะมีบริวารมาจุดต่อก็ขยายออกไปก็แสงสว่างขึ้นมากมามเราให้เราพยายามทำทึ้งอย่าว่าไม่ทาบุญทางด้านวัตถุเราก็ทำกายของเราก็ทำกายจะกรรมวจีก ร, รมมโนก ร, รมแต่ตัวใจนี่สาคัญ สำคัญว่าเขาเกิดยังไงเขาหลงอร่อยเราต้องคลายถึงเราขายไม่ได้ก็อยู่ในกองบนก็เปรียบเส ม, มือนขันที่ยังคว่าอยู่ก็ยังอยู่ในกองบนถ้าใจของเราแยกรูปแยกนามหรือว่าพลิกจากสมมติไปหาวิมุติเหมือนกับไงของที่ควา่าถ้ากำลังสติของเราต่อเนื่องเราก็จะเห็นชัดเจนเกิดปิติเกิดสุข เกิดความโล่งความโปร่งเกิด ค, ความว่างแตนี่กาละกิเลสการดับความเกิดต้องให้หมดจดอีกถึงจะเป็นความบริสุทธิ์ที่เทาวรมองเห็นทุนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันถ้ากําลังสติชัดเจนหาเหตุหาผลชัดเจนตัววิญญาณหรือตัวใจก็จะเผยตัวออกมาชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดเดินตามคําสอนของพระพุทธองค์ เราเข้าใจวิธีเราเข้าใจแนวทางแล้วก็ไปทําความเปลี่ยนกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้สติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจก็เอาการงานเป็นการปฏิบัติใจวิเวกจากความคิดจากอารมณ์จากการเกิดถึงจะอยู่ที่ทํางานอยู่กลางโรงหนังกลางตลาดใจของเราก็วิเวกถ้าใจปราศจากกิเลส ต่ก็จะตั้งมั่นอยู่ในองค์สมาธิยืนเดินนั่งนอนก็เป็นแค่เพียงริยาบทเราต้องพยายามเดินปัญญาใช้ปัญญาปัญญาไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาใช่ก็คือสร้างสตินั่นแหละสร้างสติสเอาไปใช้จนเป็นมหาสติมหาปัญญาจนไม่ได้สร้างจนเป็นเองจนมองเห็นทุกสิ่งรูกอย่างเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเอาเข้ามาเถอะก็มาก็มายมที่มาทีหลังก็เข้ามา <c oughs> อยากโยมคนไทยในใจบุญมีบุญเป็นเป็นเป็ น, ปนทุนเป็นพื้นฐานจะทำอะไรถ้าอยู่ในกองบุญกองกุศลแล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ได้ลำบักจะทำให้ถูกที่ถูกทางเรามนุษย์เราเทวดามาช่วยเหลือกันมากมายหลวงพ่อก็อาศัยอำนาจแห่งบุญอานาจแห่ง บุญของมนุษย์ของเทวดามาช่วยกันถึงไม่ได้ลําบากจะปราบปรารถนาจะทําอะไรเทวดาก็จัดสัญให้เหมือนกับเทวดาได้บอกกล่าวหลวงพ่อเอาไว้ในแต่สมัยสิบกว่าปีก่อนหลวงพ่อก็เคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าเทวดาท่านมาหาหลวงพอ่อท่านมาบอกกล่าวหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะทําอะไรให้ทําไปเถอะ เรื่องข้าวของเงินทอ ง, องพวกผมไม่ให้หลวงพ่อลำบากก็เดี๋ยวจัดการหามาให้หลวงพ่อก็ได้บอกเก่าเทวดาว่าหลวงพ่อไม่ได้มาบวชหาเงินหาทองมาบวชห า, าลาภายศหลวงพ่อมาบวชเพื่อหาทางหับทุกข์หาทางหลุดพ้นเทวดาท่านก็บอกว่าหลวงพ่อจะทำอะไรให้ทำไปเถอะหลวพวกผมจัดการหามาให้เรื่องเงินเรื่องทอง จะมากจะน้อยก็ไม่ให้หลวงพ่อลำบากหลวงพ่อมีหน้าที่นั่งนับเงินอย่างเดียวก็พอก็บอกว่างั้นจะรู้สึกว่าจะเป็นจริงเป็นจริงดังเทวดามาบอกจะทำอะไรจะนึกอะไรจะมากจะน้อยไม่นานมาจะเอาสักล้านสองล้านสามล้านจี่ล้านไม่นานก็มาจะทำอะไรอันโนนอันนี้ก็มารองรับนี่แหละอำนาจแห่งบุญ อำนาจแห่งบุญไปที่ไหนก็มีอยากมีเั้งแต่คนจะจับใส่ย่ามให้ไม่ว่าแม้แต่ขึ้นบนเครื่องบินอืเราแอร์โฮสเตสหรือว่าเราเอเอ์โฉบเครื่องบินก็รวบรวมเงินมาถาวายให้หลวงพ่ออืทั้งที่พระก็เยอะจะนาดลงสนามบินก็เขาก็ดักรอใส่ย่ามก็มีไปที่โรงแรมเขาก็ดักรอใส่ย่ามก็มีนี่แหละ ก็เพราะอำนาจแห่งบุญที่เราเคยให้เคยเอาออกเคยทานมาก่อนเป็นผู้ให้ผู้เอาออกไม่เอาทีนี้เราก็จัดการบริหารให้ถูกต้องให้อยู่ในกองบุญกองกุศลให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรที่จะเป็นประโยชน์เพียงแค่นึกเก็บปราบด้วยสติด้วยปัญญาเทวดาจะรีบจัดการให้ พราะรอจังหวะรอโอกาสอยู่ก็จะดนบันดาลให้บุคคลที่เคยสร้างบุญสร้างอานิสงส์ร่วมกันมาทันทีไม่ช้าอย่าไปมองข้ามในการทําบุญในการให้ทานแล้วก็ควบคุมจิตใจของตัวเราจัดระบบระเบียบจิตใจของเราให้อยู่ในบุญในกุศลในกุศลเพียงแค่คิด mm. ก็คิดในทางกุศลอย่าไปคิดในอกุศลเพียงแค่สติปัญญานะ จะเราเห็นยิ่งฝึกยิ่งศึกษาเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็พยายามทําความเข้าใจไม่ใช่ไปนึกเอาไปคิดเอาทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลมนเหตุผลนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบนิปัตนาเป็นอย่างไรการละกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรหลักของอริยสัจสี่เป็นอย่างไรอันนีจังทุกครั้งอนัตตาในกายเนื้อของเราเป็นอย่างไร ขันห้าเป็นกองเป็นขันอย่างไรนี่มีหมดอะไรคือรูปอะไรคือน้ำให้เราพยายามหัดวิเคราะห์ส่วนมากเราจะมองเห็นอยู่ในภาพรวมเราจะมองเห็นในภาพรวมว่าตัวเราของเรากายเราแต่เราขาดการจําแนกแจกแจงถ้าอยกแยะได้เห็นได้จะเห็นเป็นกองเป็นขันอย่างที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันขันไขขันมันอยู่เหมือนกับตัวจิตมาอาศัยมาสร้างพบสร้างชาติ พอมาอาศัยกายเนื้ออยู่ถ้าเราแยกแยะได้ละได้ก็เหมือนกับน้ํากลิ้งอยู่ในบนใบบอนอยู่กันคนละส่วนอืมเราก็จะอยู่ด้วยบุญด้วยอํานาจแห่งบุญก็เป็นบุคคลที่โชคดีที่มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไป ย, ยามสร้างสารต่อกันอาตั้งใจละพรกันเอาขอให้ญาติโยมพี่น้องเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติ สร้างความรู้สึกรับรู้ทำฝาดห้องหลมหายใจที่วิงว่งเข้าวิ่งออกะกระทบปลายจมูกคงเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันนั่งตามสบายวางกายให้สบายหยุดผ่าละนาทีการงานทางสมมุติเราก็วางมาเพื่อที่จะทําบุญให้ทานกันที่นี้เราก็มาหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้โจกรังโจข่าวถึงเราหยุดไม่ได้ละไม่ได้เราก็หยุดเอาไว้โจกรังโจขาวขณะที่เรากําลังนั่งอยุดนี้เลยวัง ลงพอบไปด้วยน้มระลึกลองสูรลมหายใจเข้าไปเจยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจกมาเจ้าวๆอย่าไปบังคับลมหายใจนี่กายของเราก็จะไปบังคับนั่งตามสบายวางกายให้สบายให้สวยให้งามคือนั่งตัวตรงแล้วก็ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวาแล้วก็ผ่อนลมหายใจมาเจ้าจา สัมผัสท้องลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกคงเรามีความรู้สึกรบรู้อยู่ความรู้สึกตัวนั่นแหละภาษาธรรมะท่านเรียกว่าสติความรู้ตัวอันนี้เป็นแค่รู้กายรู้ลมหายใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรู้กายหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรบรู้อยู่หายใจออกก็มีความรู้สึกระปลุอยู่ถ้าความรู้สึกพังเผยไปแล้วก็พยายามกระตุ้นความรู้สึกขึ้นมา ยาวๆแรงๆความรู้ึกก็จะตื่นตัวขึ้นมาแต่ความรู้สึกขาดไปแล้วก็พยายามกระตุนความรู้สึกให้ตัวนึงช่วงใหม่ๆก็อาจจะไม่เคยชินเพราะว่าความเคยชินเก่าๆคือปล่อยปล่อยลมหายใจทิ้งทั้งที่เราก็หายใจอยู่ส่วนใจนั้นบางทีก็ปกติบางทีเข ก, ก็ปรุงแต่งสุขไปภายนอกบางทีก็มีความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจ ถ้าเรามีความรู้ตัวตรงนี้โตเนื่องเราก็จะเห็นการเกิดของใจรู้ลักษณะอาการท้องใจเราก็รู้จักควบคบุมบางทีก็มีความคิดที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดเขาเรียกว่าอากาศนองขันห่าในตัวใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมเองถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันจิตโตเนื่องเราก็จะเห็นเวลาความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจขณะใจเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าเรารู้เท่าทันตรงนั้นจิต ใจก็จะดิดออกจากอาการของความคิดเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามในรู้เห็นนะรู้เห็นอาการตรงนี้แยกตรงนี้ใจก็จะว่างใจก็จะหงายจากที่ความยุ่ใจก็จะหงายเราก็ว่างกายก็จะเบาสติความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่ก็จะรู้เห็นการเกิดการดับของขันห้าเเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นเรื่องอะไรอะไรอยู่ในกายในใจของเราเป็นเรื่องอดีตก็เรียกว่าสัญญาความจาได้ไหมรู้ความคิดทุกชนิดบางทีก็เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างก็เรียกว่ากองสังขาญเรื่องอดีตเรื่องอนาคตตัวใจนั้นก็เรียกว่าตัววิญญาณตัววิญญาณตัวสุดท้ายในขันหะของเราเราก็จะได้ตามดูตามรู้เราก็รู้จักละละการเกิดละกิเลสดับความเกิดคลายความหลง เขาเรียก ว, ว่าวิปัสนาสัมมาทิฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้แล้วก็ตามดูทำไมเราไม่เห็นตรงนี้เพราะกำลังทัติของเราไม่ต่อเนื่องวิปป ก, กรรมสมมติของเรายังไม่ได้คลายไม่ใช่ว่าจะรู้เห็นง่ายๆบุคคลต้องมีความเพียรมีความเพียรที่โตเนื่องมีความขยันหมั่นเพียรแล้วรู้จักขัดเการู้จักละกิเลสออกจากใจของเรา ทุกคนก็ปรารถนาหาทางดับทุกหาทางหลุดพ้นถ้าไม่ถึงวะลาะถึงเวลาถ้าไม่ถึงความพร้อมก็ยากที่จะเข้าใจทําไมเราถึงไปลําบากอยูจุดนี้บ้างจุดนี้บ้างทําไมเราถึงเเละเฮเลล่อนทําไมชีวิตของเราถึงเป็นอย่างนี้เพราะเป็นวิบากของกรรมแต่ถ้าถึงการถึงเวลาแล้ววิบากกรรมสมมติเขาคลายเราก็จะมองเห็นหนทางเดินของชีวิต แต่เราก็จะไปทิ้งในการทําบุญในการพูดดีในการคิดดีในการแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรามีโอกาสก็ให้ทําบุญตลอดเวลาทําบุญทางสมมุติเราก็ทําเรารู้จักแก้ไขเราเราผิดพลาด ต, ตรงไหนเรามีความพยันมันเพีย่ยนเพียงพอหรือไม่เรามีความเจสระเรามีความอดทนอดกลัน้นเรามีเรายังสมมุติของเราให้เพียบพร้อมแล้วหรือย่างอนโน้นทำไมถึงขาดอันนี้ทําไมถึงขาดการละกิเลส ข, ของเรามี การดับความเกิดของเรามีสักกี่ครั้งสักกี่เที่ยวความรู้ตัวสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรเราต้องศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดทุกเรื่องไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวมองคนโน่นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่า ง, ง, น, งนั้นชิงนั้นเป็นอย่างนั้นชิ่งนั้นเป็นอย่างงี้สมมุติโลกธรรมเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเรามาหัดวิเคราะห์ใจของเราคลายใจของเราแก้ไขดําเนินชีวิตของเราให้ถึงจุดหมายปลายทาง ทำความเข้าใจกับชีวิตของเราให้เต็มรอบก็จะโลนออกไปสู่สังคมสู่หมู่สุขณะซับภายในแล้วก็ไม่ทิ้งซับภายนอกเราก็ขยันบมั่นเพียรถึงวะละเวลาเราก็ต้องได้วางหมดขณะที่ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็วางภายในของเราให้หมดจดวางความเย็บมั่นหรือมั่นวางกิเลสละกิเลสใจที่ปราศจากกิเลสใจที่ไม่มีความเกิดเขาก็ว่างเขาก็โลง่งเขาก็ปลง่ง แต่กำลังสติของเราจะมีเพียงพอหรือไม่นิวรณ์ธรรมเครื่องกลางกั้นจิตของเราเป็นอย่างไรใจของเรามีความกําหนัดยินดีในรูปรถยินเสียงหรือว่าใจของเรามีความยึดมั่นถือมั่นยินดีในรูปรถยินเสียงต่างๆเราก็รู้จักละรู้จักดับรู้จักส่งความว่างนองเนียโอความว่างเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจปราศจากความยึดมั่นถือมั่นความว่างเนี่ยเป็นความทุขที่ถาวรกว่า ความสุขภายนอกเราก็ดําเนินด้วยสติด้วยปัญญาเขาก็อิงอาศัยกันอยู่นั่นแหละวิญญาณก็มาอาศัยกายอยู่กายก็อาศัยสมมุติโลกธรรมอยู่เราต้องทําความเข้าใจหมดทุกเรื่องทํากับโรกก็อยู่ด้วยกันก็ต้องพยายามกันอย่าไปปล่อยพันเวลาทิ้งจะได้เวลาพยายามหมั่นเพียรกันน ะ, ะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนลองหายใจเข้าไปยาวๆแล้วก็ปลดลมหายใจมาล่า ทำใจให้โล่งสมองให้โปรง่งอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกให้ชัดเจนกันนะปากปากันไหวปลาพอมๆกันค่อยไปสั้งสารต่อกันเอานะ